พระสารีบุตรอัครส า, าวกท่านก็บอกเอาไ ว, ว้ว่าเหมือนกับจะดึงผ้าที่หมกโครนหรือคลุกฝุ่นอยู่ออกมาออกม า, าเพื่อจะได้นําไปทําเป็นจีวรหรือสบงไปไปเจ็บปฏิปปาต่อเขาทําเป็นจีวรหรือสบงว่าส่วนไหนดีก็ตัดเก็บเอาไว้ส่วนไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป แล้วนำเอาส่วนดีมาปฏิปต อ, อกันเขา้าเขาเป็นผ้าได้ผืนหนึ่ ง, เ, งเป็นผ้าได้ผืนหนึ่ ง, เ, งเป็นะบงบางเป็นชีวรบางเป็นผ้าอับนาฝนบางอะไรก็แล้วลแต่อ <c oughs> คนเราก็เป็นอย่างเนี้ยบางคนก็ความประพฤติทางกายไม่ดีแต่ทางวาจาดีบางคนทางวาจาไม่ดีแต่ทางกายดีบางคนไม่ดีทั้งสองอย่างแต่ใจดี ก็เลือกส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ดีคราวนี้ถ้าพยายามแล้วไม่เห็นความดีของเขาเลยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องแผ่กรุณาไปให้เขาเแผ่กรุณาไปให้เขาเพราะเขาเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติขาดคุณสมบัติที่จะเป็นเหตุให้ตนมีความสุข เ, เรา ผู้แผ่กรุณาก็เหมือนกับคนที่มั่งมีทรัพย์ก็เผื่อแผ่ทรัพย์แก่คนยากจนคนไม่มีคุณความดีหรือคนไม่มีคุณสมบัติเป็นคนที่ขัดแคลนคุณธรรมควรที่ผู้ประพฤติ ร, รมผู้ที่มีธรรมจะพึงเกื้อกูลด้วยเมตตาการุณา พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าคนชั่วหาความสุขได้ยากเขาหาความสุขได้ยากอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มเติมทุกข์ให้เขาอีกเลยนะฮิตังสุรพังโรติสุขังลุกกตาการินาจะเกลียดชังคนอย่างนั้นก็เหมือนจะเอาทองคําไปขูดกับกระเบื้องหรือไปครูดกับกระเบื้องมันไม่มันไม่ม ไม่ไม่คุ้มค่าไม่สมค่ากันครนี้ถ้าการุณาไม่ได้เอีกแม่จะแม่จะคมใจให้กรุณาสักเท่าไหร่ก็ยังทําไม่ได้คราวนี้ก็ต้องปรงใจว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เ, เขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเอง แล้วก็วางอเวกขาเสียเพื่อความสงบสุขของเราการการแผ่การพิจารณาถึงกรรมมัสการญาณที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นสิ่งที่มีมีค่ากับการปฏิบัติธรรมมากขอให้ ขอให้พิจารณาบ่อยๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นพ่อแม่ของเราเป็นลูกเราเป็นอะไรของเราคือว่าเขาเป็นของเราโดยความสัมพันธ์กันทางสายเลือดทางเชื้อชาติทาง เ, เชื้อสายทางอะไรต่างๆที่นับกันโดยสมมติ แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนมาทั้งนั้นใครจะเป็นอย่างไรจะเป็นดีเป็นชั่วจะได้สุขได้ทุกข์อะไ ร, เ, ระเขามีกรรมเป็นของของตนมาเราก็ช่วยเขาได้บ้างตามตามสมควร <c oughs> เราก็ช่วยเขาได้บ้างตามความสามารถที่เขาจะช่วยได้แต่ความสามารถของเราก็มีขอบเขตจำกัดไม่ใช่ว่าเราจะสามารถช่วยเขาได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรจะมันทิจารณาใจจอง แล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตัอการแผ่เมตตากรุณาโดยเจาะจงคือว่าเจาะจงบุคคลนะครับที่เรียกว่าโอทิสสะภารณาตามที่พูดมาแล้วเมื่อวันก่อนมันก็มีส่วนดีคือว่ามันเป็นไปโดยแรงกล้าทำให้เราช่วยเหลือกันได้มาก แต่ว่าส่วนไม่ดีก็คือว่าเป็นไปในทางแคบการแผ่โดยไม่จาะจงนั้นดีตรงที่เป็นไปในทางกว้างแต่ว่ากำลังอาจจะอดอะคล้ายๆเหมือนน้ำที่ไหลบ่าเหมือนน้ำที่ไหลบ่าทั่วไปหมดมันก็ไหลไม่แรงแถ้าน้ำไหลไปทางเดียวก็จะไหลแรง แต่ว่าก็มีเงื่อนไขอีกนะครับมีเงื่อนไขอีกคือว่าถ้าเป็นน้ําจํานวนมากก็แรงได้เหมือนกันอย่างน้ําท่วมน้ําท่วมมันก็ไหลไปไหลหลากไปทั่วไปหมดแต่มันแรงมันก็จะก็ไหลได้แรงได้เหมือนกันถ้ามันจํานวนมากคนที่ทําไม่ดีต่อเรา ก็จ่อมจะมีอยู่บ้างบางทีเพราะว่าเข้าใจผิดบางทีก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการเราก็เอามาเป็นบทเรียนเพื่อฝึกฝนตนเองแล้วก็ทำตัวให้ดีจริงๆขึ้นไปจิตใจไม่คุณมัวมีแต่เมตตาปราณี มาเป็นอย่างนี้ความโกรธจะเผารนชิตใจไม่ได้เมื่อความโกรธเผารนชิดใจไม่ได้ชิดใจก็แช่อิ่มอยู่ด้วยเมตตาก็เรียกว่ามีเมตตาปราณีแนบแน่นอยู่ในอันดานถ้าเป็นทางมาของโชคลาภอย่างน้อยที่สุด ไม่มีอะไรแล้วทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ในตัวมากคือว่าใครเข้าใกล้ก็มีความสุขแล้วก็รักเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรานี้อยากจะมีความสุขกันทุกคนแล้วถ้าเผื่อว่าข้อผาสมาคมกับใครเข้าใกล้ใครแล้วก็มีความสุข เขาก็ อ, อยากจะครอหาสมารครองกับคนนั้นเข้าใกล้คนนั้นกระแสะเมตตาที่มีอยู่ในตัวของบุคคลนั้นเองมากระทบกับความรู้สึกของผู้ที่เข้ากลา้ก็ทำให้เขารู้สึกชุ่มเย็นที่เรียกว่าเป็นผู้มีฉา ย, ยาคือร่มเงาอันเจ็นบอบุน ครับมีความรู้สึกอบคุณมีความรู้สึกเป็นสุขมีความรู้สึกดีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่ 7, เจ็ดของคุณสมบัติเจ็ดประการอันเป็นที่ไหลมาของโชคลาภเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกันปลูกฝังแล้วก็พอกผูนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ในสันดาหก็ะจะมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่ครอบครัวทั้งแก่สังคมทั้งแก่บ้านเมืองก็ะจะได้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขมีเมตตาเแื่ออาทรต่อกันไม่หวังร้ายต่อกันไม่ทำร้ายต่อกันท่านผู้ฟังที่ก็รบกับ เ, เวลาหมดพอดีเรื่องคุณสมบัติเจ็ดประการที่พูดมาตอนปีใหม่ ก็คิดว่าจะเป็นพรปีใหม่ก็เลยมาจนเกือบจะสิ้นเดือนก็คงจจยุติเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึ่งมีแต่ท่านผู้ปทำรายการและท่านผู้ฟังโดยชั่วกันสวัสดีครับทำๆไปเถอะกลมหน้ากลมตาทำไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากเห็นว่าอะไรดีก็ทำๆไปกลมหน้ากลมตาทำไป ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากพอถึงเวลาผลมันให้มันให์เองอะ่ะมันเกิดผลขึ้นมาอทำๆไปแล้วก็หวานมาเมล็ดพืชเอาไว้หวานไว้เยอะๆงอกบางไม่งอกบางช่างมันที่งอก ม, มันก็มีที่โตมันก็มีมันตายเลยตั้งแต่เล็กๆก็มีที่มันโตให้ร่มเงาก็มีช่างมันทำๆไปเถอะ ดีกว่าไม่ทำอะไรเสเลยครับดีกว่าทำทำไปก็พอพอนึนจทอก็เนจทอก็หาหาสุภาษิตหาคำอะไรที่มันฉมังฉมังหน่อยเอามาเอามาให้กำลังใจตัวเองเช่นว่า วิธียังนามเอตังสัตเตหิกัตถังขึ้นชื่อว่าความเพียรสัตว์ทั้งหลายควรทําโดยแท้อันนี้เป็นบาลีผมมักจะท่องเป็นภาษาบาลีเอาไว้อขึ้นชื่อว่าความเพียรสัตว์ทั้งหลายควรทําโดยแท้อขอให้เราได้ทําความเพียรค่ะวิธียังนามเมตังสัตเตหิกัตพัง ไม่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นคำเปล่งอุทานของพระโพธิสัตว์ไม่ไม่ไม่ใช่พุทธพล น, นะครับแล้วก็มันควรจะมีคำที่ว่ า, าความหวังผลยอมสำเร็จแก่ผู้ที่ไม่รีบร้อนรู้จักรอคอยแต่มันมีคำอีกคำหนึ่งที่ควรจะนำมาเป็นเป็นกำลังใจ กับความวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ไม่รีบร้อนรู้จักรอคอยอะอันนี้อันนี้ก็เคยให้คำบาลีไว้แล้วอภิอัตตระมานานังพราสาวะสมิธสติเคยจดใช่ไหมครับเคยจอตามหลักของ พุทธเนี่ยเราถือว่าคนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพัฒนาให้สมบูรณ์ได้เกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้สมบูรณ์ที่สุดจนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความดีล้วน เราไปสู่ไปสู่ความเป็นอริยะเกิดมาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาตนหลักมันอยู่ตรงนั้นมันที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ทุกชาติก็มีจุดมุ่งหมายว่าเมื่ อ, อยังพัฒนาตนไม่สําเร็จก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เมื่อพัฒนาตนถึงที่สุดแล้ว ไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความดีล้วนๆเป็นเกวัลีก็เรียกว่าเกวัลีสุทธเกวัลีมีความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็ตอนนั้นก็พ้นจากโลกนี้ไปกล่าพ้นจากโลกนี้ไปเป็นโลกุตตะชนไม่ใช่เป็นโลกียชนโลกียชนก็คือคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก เรากุตตรชนคือคนที่พ้นไปจากโลกเพราะว่ า, าได้พัฒนาจนหมดกระบวนการพัฒนาจนรู้สึกว่าสิ่งที่ควรทําเราได้ทําเสร็จแล้วจิตตื่นที่ควรทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีชาติของเราสิ้นแล้วสิ้นชาติสิ่งที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้ว สิ่งอื่นที่ควรทำยิ่งไปกว่านี้ไม่มีจบไปจบกระบวนการพัฒนาฮะก็ก็ตอบเท่านี้ก่อนนะครับเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวครับนะครับเอออีกกรณีนหนึ่งครั บ, ร, บรู้สึกว่าคนที่มีเก็บุ่หาที่อาจารย์ว่ารู้สุกมีน้อยมากมครับครับแล้วบางทีเขาไม่ได้ยินได้ฟัง คนพวกนี้ถ้าเขาได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องหรือว่าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยะเขาก็จะได้สำนึกเร็วบางทีถ้าเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ี้โชคร้ายที่เขาไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะคอนเซปที่ผิดของผู้เผยแพร่ศาสนาบางส่วนที่ว่า ชาวบ้านอย่าไปสอนโลกุตต ร, ร, รธรรมกับเขาเลยสอนแต่โลกิยธรรมสอนแต่ธรรมพื้นๆตื้นๆก็ เ, เลยก็ เ, เลยวนเวียนกันอยู่แค่นั้นไม่ได้ให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ทำให้เขาพ้นทุกข์โดยสิน้นเชิงว่าโดยวิธีทางใดเขาจึงจะลดทุกข์ลงได้ ถ้าเขาได้ยินได้ฟังเขาจะทำได้เร็วเหมือนกันทำได้เรยวก็เราก็สอนกันแต่เรื่องเรื่องทานเรื่องทอดภระป่ า, ปาทอดกะทินอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆทาบุญสร้างกุฏิพิหาร <Okay. S 1> ไม่ได้ล่วงล้าไปทางอื่นไวชักชวนกันไปทางนั้นคนก็เลยไม่ได้ฟังทำที่เป็นของพระอริยะโดยแท้ที่ท่านชักนาไป ให้พัฒนาตนเพื่อพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากอันนั้นครับท่านนี้ครับการโลกโลกุตตรธรรมนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับที่จะดับทุกหรือว่าให้มีความทุกน้อยที่สุดถูกเผาลนน้อยที่สุด โดยชาวบ้านโดยทั่วไปนี่มีความเป็นอยู่อย่างถูกเผ า, เาถูกโลภโทสะโมหะเผาถูกกิเลสเผาแต่ว่ า, าไม่เคยรู้วิธีที่จะเผากิเลสเผามันจะบ้างก็ไม่รู้วิธีนั้นพ อ, อมีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็แนะนำให้ไปทำบุตร พอมีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็แนะนาให้ไปถวายสังฆทานไปทาบุญสะดอกเคราะห์ะไไม่ได้แนะนาว่าความทุกข์เกิดจากอะไรถ้าเราจะต้องแก้ให้มันตรงกับเหตุเแก้ทุกข์ให้มันตรงกับเหตุถ้าเิดทำไปทำนั้นก็ทำไปทำรูปแบบแต่ว่าปัญหาไม่ถูกแก้ไม่ได้แก้ปัญหา บางทีก็มีความทุกข์บอกให้ไปนั่งสมาธิแต่ปัญหาที่มีอยู่คาลาคาสังอยู่ไม่ได้แก้กลับมาก็คงพบปัญหาเหมือนเดิมเป็นการเขาเรียกว่าอะไรกวาดขี้ฝุนไว้ใต้พรงกวาดขี้ฝุนไว้ใต้พรงมันไม่ได้ไม่ได้กวาดมันทิ้งไปนั่นก็ ถ้ามีปัญหาอะไรมันต้องแก้ที่ที่ตรงนั้นคือว่าให้ให้กลับไปหาอาจารย์ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปหาอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้านี่ก็วันทีก็สอนขึ้นไตสอนกันมาก็เลยไปบงังไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าจะไปติดอยู่แค่บางคน เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแต่ว่าบอกว่าหาท่านอาจารย์นั่นสอนอย่างนั้นท่านอาจารย์นี้สอนอย่างไีอาจารย์น้นว้ายังน้นว่าพระพุทธเจ้าว่ายอย่างไรไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ที่จริงหน้าที่ของอาจารย์คือนําคนไปไปหาพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ใช่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแบบ แบบนั้นนะแบบก็นําคนไปหาพระพุทธเจ้าคือว่าให้เขารู้จักพระพุทธพจน์ว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้เช่นว่าขัดแย้งกันในเรื่องนรกสวรรค์ชัดหน้าอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ชาจาน้นว่าอย่างโ น, น้น ทำไมเราไม่กลับไปห า, าจานทร์ใหญ่ของเราคือร พ, พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรในเรื่องนี้อันนี้ถ้าเอาพระพุทธพจน์มาแล้วมันก็จบนี่พระพุทธพจน์ว่าอย่างนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจคุณจะว่าอย่างไรต่อไปก็ตามใจคุณแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แค่เนี้ย <c oughs> อันนี้ก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่ า, าหน้าที่ของผู้สอนศาสนาคือทำให้นำคนไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อเขาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วอาจารย์จะถอยถอยออกมาก็ได้หรือว่าจะอยู่เป็นพี่เลี้ยงต่อไปก็ได้ แต่ว่าคนผู้นั้นเขาจะพึ่งตัวเองได้แล้วต่อไปพึ่งตัวเองได้อ่าอันนี้ความสําคัญของสํานักก็จะน้อยลงหรือว่ามไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับสํานักเท่าไหรนักเพราะว่าผู้วิพักษษาที่เด็ดขาดคือพระพุทธเจ้ามันก็ได้ให้ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ เป็นหลกขอพูดอีกประเด็นหนึ่ง <c oughs> ขอพูดอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่า เ, เคยเคพูดอยู่เสมอว่าบุญที่สูงสุดนั้นคือการอบรมตนให้เป็นคนดีบุญที่สูงสุดถ้าถามว่าบุญที่สูงสุดคืออะไรเราก็ตอบได้เลยว่าบุญที่สูงสุดคือการอบรมตนให้เป็นคนดีที่สุด ค่อยๆก้าวไปค่อยๆก้าวไปสู่ความเป็นคนดีแล้วจนถึงกับดีที่สุดแล้วเราก็จะได้บุญที่สูงสุดก็ลองนึกดูว่าเวลาเราจะทาบุญแต่ละทีเราก็นึกถึงพระหรือผู้รับที่เป็นคนมีศีลมีธรรมที่เราคิดว่าเป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะนึกได้ ไปทํากับคนนั้นทีนี้ทางที่ประเสริฐกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก็คือว่าให้อบรมตนตนของตนนั่นแหละให้อบรมให้เป็นคนดีที่สุดแล้วก็จะเป็นบุญญเขตใชเองเป็นทักษินายาบุคคลใช้เองได้สิ่งที่ดีที่สุดใช้เอง ไม่ต้องไปขอเศรษฐีวอนท่านไม่ต้องไปขอผมที่ท่านโกนแล้วโกนอีกขอทบทวนทำกรรมของพระอัศจรินิดหนึ่งนะครับที่พระสารีบุตรอุปติสสะตอนนั้นเป็นอุปติสสะอริภะชอขอให้แสดงธรรมการชี้ท่านถ่อมตัวว่าท่านเพิ่งมาบวชใหม่ตอนนั้นท่านเป็นพระอราหันต์แล้ว ท่านทำตัวว่าท่านเพิ่งมาบวชใหม่รู้อะไรไม่มากนักแต่ก็จะแสดงโดยย่อปฏิสักท่านหุปฏิสักก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการความพิสดารต้องการแต่โดยย่อก็ให้แสดงเถอดท่านก็แสดงเยธรรมมาเหตุตปภะวะเยาสังเหตุงาาตุงตถาคตเยธรรมมานะทำทั้งหลายเราใจเยธรรมมาเหตุตุปภะวะทำทั้งหลายเราใจเกิดใจเต มีเหตุเป็นดนเกิดเตสังเหตุตรงตรถาคตพระตถาคตจัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเตสั ญ, ญจะโยนิโรโทจะเตวังวาติมหสมมโนพระมหาสมณเจจัดถึงความดับของธรรมเหล่านั้นด้วยก็แปลว่าทรงแสดงอริยสัจสี่สองข้อคือ สมุทัยกับนิโรธแสดงอริยสัจสองข้อสมุทัยกับนิโรธก็ทางทางส่วนที่เป็นเหตุแห่งทุกสมุทัยนั้นเป็นเหตุแห่งทุกแล้วก็นิโรธนั่นเป็นความดับทุกอันนี้คือใจความเต็มของคาถาของพระอัสสชิอันนี้ก็ขลังนะคาถานนี้ก็ขลังไปท่องเอาไว้ ทองเอาไว้แล้วรู้ความหมายด้วยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันเราจะได้รู้ว่าเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็จะดับเหตุมันได้อย่างไรดับนะอย่างนี้ดีคาถาอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเอามาใช้ได้ไม่ใช่มุก ม, มาปูกปะไปตามเรื่องตาราแล้วก็ไม่รู้อะไรเสียเวลาเปล่าเปลืองสมองแล้วก็ในที่สุดต้องตั้งเป้าไว้ว่าไอเหนือดีเหนือชั่ว จะไม่ไม่ใช่ดีอย่างเดียวต้องในที่สุดก็ต้องเหนือดีเหนือชั่วพ้นไปจากทั้งดีและชั่วทั้งบุญและบาสนาลิกเกอมะพร้าวนาลิเ ก, เาาเกต้นเดียวโหนงเองอยู่ในทะเลขี้พึ่งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงอยู่ในทะเลขี้พึ่งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญพ้นบุญเอ่ย ถึงได้แต่ผูพ้นบุญไม่ใช่ผู้มีบุญนะพ้นบุญทีแรกทีแรกก็อาศัยบุญอาศัยบุญไปก่อนแต่ก็ต้องตั้งเป้าไว้ว่าให้พ้นบุญพุน่นไปจากนั้นอีกทีเนี่ยเป็นเพลงเพลงกล่อมเด็กของคนทางใต้เพลงกล่อมเด็ก มาพร้าวนาลิเกต้นเดียวหนเนยอยู่ในทะเลคี้พึ้งอันนั้นนิพพานนั่นคือนิพพานฝ <c oughs> นตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงอยู่ในทะเลขีพึ่งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอยแต่เขาว่าเสียงเอื้อนยาวไม่ไม่ไม่ได้สั้นอย่างที่ผมว่านิพพาน <c oughs> อันิพ้ผ่านมาเป็นเพลงกลองดิบ <laughs>